ที่ท่านนำมาให้ผมปฏิบัติเนี่ยใช้ชีวิตมาอยู่การปฏิบัติธรรม เ, เนี่ยผมเองนี่เคลื่อนไหวได้เฉพาะส่วนแขนและก็ส่วนศีรษะเนี่ยส่วนล่างนี่ก็เคลื่อนไหวเองไม่ได้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องมีผู้ช่วยอย่างวันนี้ยติธรรมมาเี้ยมาช่วยให้ผมได้ทำประโยชน์ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตั้งแต่อายุยี่ิบสี่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 เป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนเด่นแต่ดูเึืแล้วใจยังเป็นทุกข์อยู่ทุกข์เพราะความดีของตัวเองอทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความดีเขาเรียกติดดีเลยคนที่ติดดีก็เป็นทุกข์นะเราทําดีแล้วทําไมเขาไม่ชมเชยเราใจเป็นทุกขนะ์แล้วเราทําดีแล้วทําไมถึงไม่ลาบไม่ได้ยศไม่ได้สันเสริญเพราะว่าติดดียังยึดมั่นถือมั่นอยู่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 แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เปรเสมือนยาทั้งตู้จะรักษาโรคเราเนี่ไมาด้วยหยิบยาขนาดไหนมีทั้งแก้ปวดท้องแก้ปวดหัวเจ็บไข้เดรป่วยผดพืน่นคันเขามียาสารพัดอย่างในตู้นั้นเราจะเลือกยาชนิดไหนท่านผั้ฟังมียาอยู่ขนาดหนึ่งครอบจักรวาลเลยหยิบมาใช้ด้วยวดเดียวรักษาได้ทุกโรค เขียนว่าสติสติเนี่เป็นยาครอบจักรวาลเลยยติธรรมผูเจ้าตัดว่าธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะและท่านยังผูกเป็นคำสุภาสิตรวยว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมด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 ลงที่ยาขนาดเอกคือสติตัวเดียวสติทุกท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีสติอยู่แล้วตามสัญญัติยานสติหิวข้าวสติม่วงนอนสติกลัวภัยแม้กระทั่งเสพกรามยังมีสติแต่ว่ายังไม่พัฒนาเราต้องมาพัฒนาด้วให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงจะใช้ประโยชน์แก้ปัญหาชีวิตเราได้สติเปรียบเสมือนกันชนชีวิต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 เดินไปไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตัวเนี่ยเมื่อเรากาลังเดินอยู่เราก็ฝึกสติแล้วเพียงแต่ว่าเราขอให้ทำกันตอนอ่อเนื่องนานๆสักหน่อ ย, ยนะการทานข้าวนะการดื่มการแปลงฟันการแต่งหแต่งตัวพยายามเติมสติลงไปเป็นการภาวนาแล้วอย่า น, นก็คือการขับรถมีสติก่อนสตาร์ทเนี่ยสำคัญมาก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 การมีชีวิตอยู่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกกันบ่อยๆงานบางอย่างมันรีบคนมีสติก็รีบได้นะรีบได้บางครั้งต้องรีบอย่าเดินข้ามถนนเนี่ยโอจะเดินช้าๆหนอเนี่ยไม่ได้ล้วถึงขาวเร็วก็ต้องเร็วแต่ว่าคนขาดสตินี่มันรีบรีบร้อนแต่คนมีสติเนี่ยรีบแต่รีบเย็น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 บางคนชอบเราก็สรรเสริญเยินยอพูดจาดีบางคนไม่ชอบเราใบหน้าเครียดหรือไบางคนเฉยเฉยและใจเราเป็นยังไงถ้ากระทบกับบุคคลสาประเภทคนที่ชอบเราเราก็โอ้ชอบใจเข้าไปด้วยคนที่ไม่ชอบเ ร, เราก็ไม่ชอบเขาอีกคนเฉยเฉยเราก็ไม่ชอบเพราะว่าทําไมเฉยกับเราเนะีอันนี้แปล ว, ว่าขาดสติเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติใหม่ใหม่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 แล้วแก้ได้ทันทีเลยโดยการยอมรับสภาพทําใจเป็นปกติเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่มีสติอยู่เสมอๆปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นคนแบกโลกจะรู้ทันโลกจะดูโลกสติที่เราสร้างมากๆขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ดูแะแต่ตอนนี้เราเข้าไปเป็นกับโลกเวลาจิตใจเราเกิดความรักโกรธเกลียดกลัว เ้าก็เข้าไปเป็นผู้รักผู้โกรธผู้เกลียดผู้ ก, กลัวเลยแบกโลกเลยหมดเนื้อหมดตัวนะั่เป็นทุกข์นะแต่พอเรามาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจะดูโลกจะดูความโกรธความเกลียดความกลัวในจิตใจเราไม่เข้าไปแบกโลกกิเลสบางอย่างเนี่ยเขาส่งมุกมาให้เราเราก็รับมุกเคยดูหนังตลกไหไอ้พวกตัวตลกเนี่ย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 หากมุกมันหันวัาเลาะยออความปวดมันัมุกมันเลยเนี่ยทำให้จิตเราดีนะเนี่ยก็คนที่ไม่แบกโลกเมื่อจิตดีกายมันก็ดีจิตดีมันกายมันก็ดีมีบางอย่างที่หากว่าเราสามารถปรับลรงจิตใจเราได้โดยการได้องทำประโยชน์เนี่ยทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ย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 ชีวิตจะสมบูรณ์นั้นต้องมีกายและก็มีใจควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นผมเองนี่ก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าการเจริญสติการเจริญภาวนาเนี่ยทำให้สุขภาพจิตเนี่ยดีก่อนและต่อมาสุขภาพกายก็ดีตาม